เราจะไม่ต้องประนมมือก็ได้เหนื่อยนี่ก็เป็นวันหนึ่งประกันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมไ อ, ไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคามันก็อืมไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้นอะไรมันเป็นธรรมะ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 กิ่งอาสาขาไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้รวมเป็นลําต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโคล น, น่ะมีลาต้นนะมีจริงก้านต้นไม้ทางต้นนั้นถึงเนี่ยจะมีทั้งสามอย่างก็จริงแต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่โคลนมันนี่เป็นหลักไอ้ริงมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโคลนเป็นอยู่เนี่ย อาศัยโครนมันเป็นอยู่มนุษย์เรานี้ประมมินกันกันนั้นมันมีกายมันมีวาจาแต่ว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบบบนทุกนะแม่จิตมันเป็นทุกอันตมายที่มาอยู่ในวัดนองประโงคนี่ย นับหลายร้อยลายอมืมากราบหลงพ่ออิฉันเป็นทุกข์ใจอเนี่ยนะสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจในรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันไอ้ความเป็นจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะก็เพราะมันไม่พระพุทธเจรร้าถึงสอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกเรื่องมันก็ไปสบายคือจะไปทําอย่างนั้นที่ไปทําอย่างนั้นมันทุกข์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 มันเกิดมาจากเหตุของมันคือเจดิต่ังลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนะี่ยมันประจําอยู่ ใ, ใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครบันนี้โยมก็ถามอาจรมาที่ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องนยงนิหรอกมันเพิ่งเกิดเดียวนี้แต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันไล้ทุกข์เดียวนี้เหมือนวันนาวแ่นมานานะ น, มานาวนนะั่นนอมันทิ้งไตรงโน้นเะมันเปรี้ยวมั้ย ือนื้อมาขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นนะ ม, มันมันมันเปรี้ยวมันมันก็ไม่เปรี้ยวแล้เอามา แ, แตะลิ้นนะเดีมันเปรี้ยวกันอยู่นี้เองอ่ะนี่ยมันเกิดใจอย่างนั้นจ้าหนี้ปัจจุบันนะตามเป็นไม่ใช่ไอความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมาขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องไอสิ่งที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้อ่ะเอาก็มาแตะริ้นแล้วพอมันเปรี้ยวกันเดียวนี้เกิดเดียวนี้เปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนดอก มันอยู่ที่สัมผัสถูกต้ตองก็เกิดความไม่ชอบ เ, เกิดเจตเดียวนี้นะเจตเดียวก็ไม่ใช่มันนอนเนื่องในใจเราหรอกนะมันเกิดเดี๋ยวเนี้ยมิฉะนั้นไปปัจจุบันาธรรมมาเรื่องปัจจุบันทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญเหลือเกินอืเป็นสิ่งที่สาคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการนามาทําทานทําบุญสุนทานวันนี้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 แลาต้องฉีกมันออกคือแยกมันออกบุญมันเป็นยังไงกุศลมันเป็นยังไงบุญคือทํำอาบุญนั่นก็ได้ว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทําอะไรก็ไม่ได้มันไม่ปวดทุกข์งมายมันไม่ปวดทุกข์ท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญก็คือหามารวมไว้แบกไว้แบกไว้มันหนักจะรู้จักทิ้ง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 ท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านอยู่นี่คนท่านกันหมดทางนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบหรือตายวาจาใจาที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้ามั<น>้อยงนั้นนี่อืมใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะ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 มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องมันเรื่องมันเกิดขึ้นม า, ล, าลอยอย่างนั้นเนี่ยเมืเ่อเยอมเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนั่นที่มันเกิดมาเนี่ก่อนทุกข์มันจะลาบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรนะคิดไอ้คนนั่นก็ดูถูกเราคนนั่นก็หนินทาเราคนนั่นก็อิดช้าเราเน่ยน้ำตาต้องค่อยค่อยซึมออกมานะ พี่ชายก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้ที่ไปก็น้อยใจน้าตามก็ซึมลงมาไงขนาดมันทําโทษจนให้น้ตามันไหลออกยังไม่รูจกก้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบา<ะ>งที่เรานั่งอยู่คนเดียวด้วยเดินไปคนเดียวในะนึกถึงอารมณ์ที่มันที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาจ้ะอย่างเงี้ยอะไรนั่นนมันเกิดมาจากไหนไม่ไดยมันยิ้มเองมันเนี๋ยนี่นี่มันยิ้มเองมันหรือเปล่า นั่นทำมันเกิดพอเหตุอยู่แล้วอืมมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นแดนเกิดอืมันเกิดจากเหตุทางหลายด้นไม่ใช่มามันเกิดมาเร่อยๆมันเกิดมาเฉยๆอืมอย่างงั้นพระองค์จ้ากี้จ้าชัยพวกเราซ้ําๆสักซากให้เราก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมา ล, ยลอยๆจริ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยนะมันจะไม่มีอะไรปรากฏวดให้มนุษย์ทั้งหลายทุกยากลําบากเนะี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จักมัน อย่างก้อนหินก้อนแล้วมันตั้งอยู่นั้นมันก็ยังในหนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมามันตัวไม่นักนั่นมาไปเกี่ยวข้องกับมันนี่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้ไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างก็เหมือนกันเี่นนั่นถ้าเรารู้เรื่องของมันแจะไม่ไม่มีหน้าจะทุกข์เหตุมันไม่มีเหตุจะเกิดทุกข์มันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นไอ้เรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอะ ถึงมันมันจนมันก็ทุกถึงมันรวยมันก็ทุกเป็นเด็กมันก็ทุกแก่แล้วมันก็ทุกถ้าคนไม่รู้จักทุกพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้รู้จักทุกรู้จะเหตุเกิดของทุกรู้จกความหลับทุกรู้จกข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกอืมแต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกแต่ว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกรู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ถึง ถ้าเรารู้ถ <grasp, S 2> ึงมันแล้วเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ออย่างเราเห็นต้นเจนี่เป็นต้นต้นคือต้นเราที่นั่งอยู่นี่เป็นต้นก็เนาเห็นต้นกันแล้วนะเนื่อว่าเราเห็นต้นเนี่ยนีเห็นอยู่ีนขาฉันนี่มีแขนฉันนี่มีเพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้เจว่าเห็นต้นอืมไอ้ความจริงที่ว่าเห็นต้นนั่นไม่ใช่อย่างนี้ ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนนั่นนะม่ใช่ตนเนี่ยเห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเ จ, จา้าท่านไม่ยอมว่าเห็นตนเห็นต น, นคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของเจ้าของนั้นนะ่ะรู้ว่าสิ่งตั้งหลายนี่ม่ใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแล้วไม่แบกมัน เนงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูพิดงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเลยว่าคนรู้จับงูนะไอ้คนเห็นตนนั่ น, น, นคนนั้นอันนี้คนนี้ไม่ใช่คนเห็นตนนีน่ยก็เพราะว่าต้นนั่นเนี่ยมันไม่มีจะ อ, อะไรมาเห็นมันเนลยมันไม่มีตน้นนี่เราพระพุทธเจ้าสอนมาให้มีตน้นเนี่มันฟังยากเหลือเกินนะ่ะมันฟังยาก ไอความเห็นมันกลับกันอย่างนี้น่ะมันฟังยากดูก็ยากเรียว่าคนบ้าคนบ้ากับพระอรหันต์แยกกันไม่ออกมันเหมือนกันในนั้นนะอ่ดูดูทีเพราะว่ามันมันมันสูงที่สุดกับมันต่ําที่สุดนี่นะไอสูงที่สุดกับต่ําที่สุดน่ะมันจะอยู่ต่ํากว่าช่างมันเถต่มันอยู่ที่สุดนะมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอ่ะ สองอย่างนี้มารวมกันแยกกันไม่ออกกันนี่นะเหมือนบ้ากับพระอรหันต์นี่เหมือนกันกัเยอแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันนะพระอดียเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วทั้งเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายทั้งยิ้มในใจของท่านทนานแด่ยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกัน ยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องไอ้พระอาหารหันต์เจ้าทั้งนี้ยิ้มรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างนั้นใว่ามันสูงที่สุดกับที่ว่ามันจาที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแห่งในปัจจุบันนี้แหละยังมีอยู่ไปกราบบ้าบ้าบอๆอยู่นั่นแหละ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 พอเรารู้จักมาแล้วก็เอาคนลาไม้ทั้งหลายนั้นมารวมตอนนี้แต่กล้าอันเดียวกันอืมท่านนั้นเนี่ยให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่หลงไม่ ร, มรู้ไม่ลืมเพราะเราจําได้แน่นอนนดอืมจะไปชี้ว่าไอ้รังส่ามันเป็นลำไยล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปกับคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยแค่ดูจะลำไยเป็นบางคุดหรือจะลำไยเป็นรังส่าเราก็รู้จัก นะแต่ไม่ทวงแต่ไม่ทวงอันนี้เปลี่ยนกับบาโลกสมมติเดี๋ยวเนี้ยเขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คาสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเข้าถึงจิตของพระองค์แล้วเป็นของปลอมทั้งนั้นมันเป็นของปลอมทั้งนั้นไอ้คําสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเขาไปถึงจิตของผูุ้ชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันยังงั้นมันจึงบ้าคนได้อย่างนะมันพูดยากเหมือนกันเนี่ย ออคำสอนของท่านอืมเี่ยมันไม่ไม่ค่อยเข้ากันมันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคุณระบุตรุกหลานเจียงพิญนามันยากมันปิจนาลำบากเกินอืมอยังเรามาทําบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหม่ทาบุญแต่คนฉันก็เป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไ ม, ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจโรคติดต่อกันบุญ่านก็ไปทําอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่า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 ไม่มันอะไรต่ออะไรอย่างมันคนละเรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ไหวใจมันให้เราคานมันหนีไปซะอย่างนี้อืมเราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายมันเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทําบุญสุนทานเดี๋ยวเนี่ยทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบามันบเขาทุกข์เองมันค่อยๆหมดไปมันเาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลอะทำด้วยถ้าไม่เอากุศลอะทำก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวเหมือนเนื้อปลาที่มันสดๆเอาทิ้งไ้เฉยๆมันก็เน่าเท่านั้นแหละนะเอ่อใสเกลือเป็นอยู่เนื้อดือปลานั้นมีอายุไปนาน นอเรียกเอาเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นสาอย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาปาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตันหาสมานะไยแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีคํานี้ยันกันเลยยันกัน ร้อยเปอร์เซ็นตเท่ากันเลยตรงเนี้ยก็จริงอย่างนั้นไอความอยากเนี่ยไม่มีจบไม่มีจบตันหาคือความอยากนี่ยันั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทําก็ทําเถอะใหญ่มันเป็นตันหาอืการกินก็กินเถอะให้มันเป็นตันหาการดูก็ดูไปเถอะ ย่าให้มันเป็นตัญหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตัญหาคือทําโดยการปล่อยวางมันแค่น่นก็อยู่ตรงนั้นเลยในคิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไปทําไมช้อนเอาไปตักแกงซดกันไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไหมแต่เอาช้อนเข้าในปากอยู่แต่เราไม่ทานช้อนหร อ, อกทานแกง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 นี่เรามีอยู่ใการปล่อยวางตัวใช่ช่อนของเราเรื่อยๆไปฮะเรื่อขันตักน้ำํำเราเนี่ยโอ่งน้ําอย่างหนึ่งน้ําอย่างหนึ่งขันตักน้ําอย่างสามอย่างที่ก็ตัวเราเนี่ยแต่บพานเราจงใจแล้วจะต้องดื่มน้ำเรืมน้ำจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันเนี่ยแต่เราเก็บขันนั่นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหว ไอ้ขันนี้เราทานมันไม่ได้เราไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำแล้วก็เก็บไวปมีคนคนหนึ่งมามาว่าให้เราอยูไ่ไอ เ, เก็บขันนี้ไว้ไว้บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธจเจ้าแจะาอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคําที่ว่าตัวเองเี่ยคือมิใจตัวนั่นแหละถ้าไปอาศัยตัวเองนี่จริงๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะแมาใช้ตัวอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติซอนกันสมมุติมันซ้อนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนธรรมะเรียกว่าตน้นอืมตนเพื่อใหไม่เป็นภาษา <S <S เฉยๆไอ้อ <S <S ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุธทธเจ้าตรัสสอนว่าถ้ามารู้ธรรมะให้มันจบอะไรไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตเุทุกข์เกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นคนได้อย่างอะไรอย่างอย่ามันไม่เกี่ยวพันกัน จะเราจับเอามาเกี่ยวพันกันใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใชะไอ้ความไปริงสิงทางนั้นไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามัก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างเงี้ยไม่ยุ่งกับเราแล้วมันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นเนี่ยนะไอ้ตัวก้อนหินก้อนนั้นมันมีอะไรล่ะมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่นี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเกิดมากไปยุกมันก็หนักเอาสิมันหนักไปมันหนักเดี๋ยวเนี้หนักไปรงยุกมนเนี่ย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 ไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเฉยถ้าไม่ไม่แตกมันก็เฉยเฉยอยู่นี่แหละนี่มันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยนี่มันคนได้ย่างกันแต่เรบมันถ้วยเรามันแตกเป็นทุกข์นีเพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพันธะแยกบอกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรามายุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเรามันก็หมดเรื่องกันขนาดนี้อย่างนั้นนต่โยมมีจานมีมีจานมากๆากมีถ้วยมากๆกันเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นอืมนะ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 ดุมันเรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพี้ยรจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องว่าอะไรมันแต่ว่ามันเจ็บๆไปดเรื่อยมันระวังไว้อย่างงั้นไม่มีไม่มีเงินที่ใจซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปนะี้คือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำมุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระถ้วยในนี้นะในว่าหมดแตกหมดไม่มีใครล่างมันหรอกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ อย่างนั้นประพุทธเจ้าแต่ฟังธรรมะแต่เข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ที่เกลียดขานต้องเป็นคนฉลาดจะ ต, ต้องเป็นคนขยนันอืมเป็นคนขยันหมั่นเทียนแต่ว่าขยันพูดขยนันรรกระทำก็ะทำโดยการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทำํำในความสงบระงับอย่างนั้นประพุทธเจ้าแต่ยงสอนว่าอ้ทํางานมันก็สบายทําโน่นทำนี่มันก็สบาย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 มันมันมันมันเกิดความคิดอย่างหลายหลายอย่างนะแต่ว่ายังไงก็ช่างมันเถอะแต่ไอตัวมานะที่เขาไปยึดเลยเป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปยึดมันไอทิฏฐินี่ท่านแปลว่าความเห็นถ้าทิฏฐิไม่ฟังใครมันก็เป็นมานะท่านั้นเนี่ยไอความยินท่านเนี่ยเอาปล่อยวาง ถ้ามนุษย์เรามาคิดดูให้ปล่อยวางเราจะ อ, าอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลําบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอืย่างพระพุทธองค์ท่านสอนอ่ะเอย่างคนเราเนี่บ่ถ้าว่าทําทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเนะมันตายไม่ได้เกิดเสียใจสแสดตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอความจริงที่พระพุทธเจ้าจ่านสอนว่าอยากมาเกิดนัแสดงมันดี ถ้าเราไม่ได้เกิดเรี่ยวกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าดานจะไปอยู่อะไรไนี่วุ่นขึ้นมาเลยนี่เราไม่คิดด้วยที่เราทุกทุกวันนี่เพราะพรเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยชาติทุกชาีิทุกปยาทุกเพราะความเกิดมาเนี่้าหกว่าคนเราบางคนนะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะกุดจะเกิดได้นี่มันก็เขาแง่พระพุทธเจ้าสอนว่ามาให้เกิดนะ มันเป็นสจอย่างนั้นที่นี่ไอความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมาจะเกิดมาแล้วมาใหเราม่ใหเราเป็นโลกเป็นภัยเราอยู่สบายอายุไหวยืนยืนมันมันคิดไปเสียอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเหตุตายคือเหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นเนี่ยคือสมัครายแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุเฉยยังไม่มีมาในมือเราเดียวนี้ เมื่เราเสถียหาได้มาเป็นต่นคนเดียวนี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่ที่มันมีนี่อย่างกระโถนนี่มีถ้าซื้อมาใหม่ใหม่ก็ะแตกแล้วนี่มันแตกถ้าจะเห็นมากระโถนแตกแล้วนะแต่เราเห็นว่ากระโถนนี้ไม่แตกนี่ความเห็นต่างกันนะไอ้คนหนึ่งใช้กระโถนไม่แตกคนนึงใช้กระโถนแตกไปด้วยกันเอาทีนี่น มันดูดมือดวงวันหนึ่งสักโถนนี้มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้พีพูว่ามันแตกมาแล้วไอ้พุธิยังไม่แตกคพิ่งแตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องให้ตอนนั้นเนี่เนี่ยยังงั้นเห็นก่อนจ้ะเมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นเนี่ยแต่ยังไงแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะมันอดไม่ได้ข้าจะเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมล่ะมีอะไรบ้างไหม เนี่เสียนทุกข์เสียนยากเสียนลาบากอะไรทัร้งปันอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่เห็นโทษมันทําไมที่เห็นโทษมันนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณาให้มันเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้น่ะอพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะอเทศไปก็ขัดกันไปด้วยอ้ขัดใจ อย่างกระจายไม่เกิดอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ให้เกิดมาเนี่ะถ้ามันมีแต่มันมันเป็นอีบคําสอนของท่านที่อ่ทีสุดของท่านมานะความยึดไว้นะเป็นผู้เลิอดกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศดกว่าเขาอันก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่เลิอดกว่าเขาเห็นว่าเสมอนต์ต่อเขานี่ก็ยังไม่ถูกอีกแเป็นผู้เลือกว่าเขาสำคัญตัวว่าเล้วกว่าเขา น, นี้ก็ไม่ใช่อีก เป็นผู้ี่เฉลียวกว่าเขาสาคัญตัวว่าดีกว okay. ่าเขาอันนี้ก <orph ans> <im> ็ไม่ใช่แต่เป็นผู้เสมอเขาเนี่ยําคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่นะเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อย่างอี่เป็นผู้เสมอกว่เขาสาคัญตัวว่าเฉลยวกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้ี่เหลียวกว่าเขาสาคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เฉลียวกว่าเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ เป็นผู้เลี้ยวขัเขาทากันตัวว่าเลี้ยวขัเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไม่ที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่แล้วเรามาดูถ้ามาดูถ้าเหตุว่าทํานเพียเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีอยากให้มันมีมีให้มันมีไม่ ม, มีมีบังกลับไม่มีอย่างนี้อืมก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดใลยมันหมดมาหน้าก้าวทั้งหลายกันในทิ่งมันจะเต็มทิ่งมันจะ อเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงที่สูงเหมืนนะอืมแต่ว่าพูดถึงที่ไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ําจะรวยเนะี่ยอันนี้เปรียามันไม่คนทุกข์คือบุญอย่างนั้นจเราสร้างบุนไปด้วยกระพิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไม่จะทําลายมันอีทีมันคลยค่ากับอีทีเด็กเหรมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหาร มันจึงจะได้จํานวนมันที่เราชอบใจตามจํานวนของเลขแต่นะอันนี้เราไม่เอางั้นที่มันวิธีคูณอย่างเดียวไม่มีที่ใส่กันเห็นไหมล่ะวิธีคูณก็วิธีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆวิธีลบไม่มีวิธีแบ่งก็ก็จะมีเสียเลยเนาะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบานีมันมีวิธีบวกก็วิธีคูณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ท่านั้นเองนะมันก็เกิดว่ากลับมาตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่ามันเป็นไปอย่างนั้น อย่างนั้นการกระทําบุญกุศลนี้เนมันจึงมีสองคำกุศลไปํามไปมีความฉลาดขึ้นอืมมีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบครอบในสิ่งที่เราได้มานั้นอืมให้รู้จักขคิดมาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี้จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี่ให้มันคุ้อมกลับไปบ้านเนี่ย กระทำมาบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนะี่ยไม่รู้บุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลาน แ, ลแม่กราบไปกราบพระพระที่ไหนตอบหลานนีะ่ะนะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทําไปทําไปเพื่อทํากันไปเรื่อยไปอย่างนี้อันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้อย่าให้มันหลงเหมือนผลไม้ในตะกรา้าในหลายเทคนิคก็ช่งมันเถอะ จะไปเท ร, รวมรวมกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนเรารู้จักผลไม้นาน า, นาชนิดอารมณตะการเรียกกานมันจะทับกันอยู่ก็ช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรต่ออะไรเรารู้เราชี้ถูกตรงนั้นเองถ้าเราเข้าใจในธรรมะของดักพุทธศาสนาแล้วอย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็นช่างมันเถอะ นเออเรารู้จักอยู่ยแล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลําไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็จะมันเตอะเราล่วกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลาไยร่างาศาสตร์มันเป็นรังศาสตรมันนี่มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไว้ให้ลงอย่างนั้นไม่หลงนะถึงแนะม้จะความดีมาก็ยังไม่หลงดีถึงในความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกนะมันดูไปถึงขนาดนั้น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 มันไปคายไข่ก็เรียกว่าตานา้ำตาน้ำที่มันซึมซาบมามันแห้งไมได้มันไหลก็มันอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคายไข่น้ําในโอหมดน้ํำฝนแล้วก็แห้งเท่านั้นนี่ก็เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะนี่ก็กลัวแล้วเอ้ยบคํานี่มั น, น ah สูงไปชะละนะบรรลุธรรมะนี่ม <ำ helped S 1> ันสูงไปแคเนี้ยไม่ค่อยอยากเกี่ยวพูด ถ้าใครพูดแต่คนตะแคงตะแคงในใจธรรมะลองไปพูดเดี่ยเอวกลับใบนว่าฉันบรรดุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยบนบรรดุธรรมะไอความเป็น จ, จริงคํานี้เป็นของสมมตุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางายมาวัดประโภคภงวนนี้ว่าบรรดุวัดหนองประโงควันนี้นนนไม่แปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประโงควันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประโภคก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรดุวัดหนองประโภคก็ได้ นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วแต่พอรู้จักมันแต่ว่าเราบรรลุธรรมะก็ได้ถ้าว่าบรรลุธรรมะเราตกใจคนเราเนี่ยแม่เนี่ยมันก็เป็นใจอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันไนดะ้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งก็นั้นเนี่ยไอยความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุท ธ, ธเจ้าที่ธรรมาว่าะใครเป็นพระพุทธเจ้าไหม ท่านผู้สอนเนี่ยประชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ดิไม่ได้พกดว่าดีื่อยเพียงใดไหเนี่ยดูไปอดมเนี่ยแต่เราคนเดียวไม่แม้ฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วขนาดเนี้ย น, นี่ยนึกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้ น, นผ่านไปแล้วนะในความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า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 พอฉันทําอยู่ที่ใจคงขาดประสงค์อยู่ที่ใจเส น, นแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมก็ว่าประพฤติอยู่ที่ใจไม่สมก็ว่าประทำอยู่ที่ใจประสงค์อยู่ที่ใจคือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะอทันทีว่าผููรู้พระพุทธองค์ที่ตัณไปแล้วนนเนี่ยก็จัดธรรมะองค์ธรรมกัตท ร, รู้นี่เด็กกัตท ร, รู้นี่ทันทีเอาไปแล้วทันทีทิ้งไปในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนเนี่ย ไม่ได้เป็นครูมาแต่กําเนิด น, นะมาเรียนวิชาครูเที่ไงในเป็นครูกันอืมเดีสอนโรงเรียนซะได้เงินน้าเงินเดือนกันเถอะอยู่เป็นนานก็เลยตายไปใชเลยตายไปตายจากครูไปใช่ไมถ้าหากพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอคไานะ้ครูนั้นยังไม่ตายนะครูนั้นยังไม่ตายคือคนนุณธรรมที่ทําครูนั้นให้เป็นครูนั้นยังอยู่ อย่างพระพุทธเจ้าคนนั้นศัจธรรมที่ทําให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายัางอยู่ไม่ยี้ไปที่ไหนก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็ได้เป็นรูปองค์หนึ่งก็ได้เป็นนามธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนอานุ์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนา ผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นฟังอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ากับเป็นธรรมพระธรรมกัเป็นพระพุทธเจ้ามันสับสนกันไอความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยังไม่มีจะได้เรียกชื่อว่าขนานชื่อของท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมอันนี้ท่านนั้นเนี่ย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 ไม่ใช่ไรเหมืมีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะ่ะอท่านยังอยู่ทุกวันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราให้เดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่ดูเรื่องอย่างนั้นผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําทความดีความชัว่วที่ท่านไม่ได้สงสัยเลยเขนะาว่าจะมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทำชั่วที่ไหนมันก็มีแล้วทำไ ม, ไ ม, มไม่มีไม่มีใครเห็นกว่าเราน่ะเห็นเรานาะเออนะ่ะ ไปทำชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีน่ะไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้ยังนั้นทำชั่วที่ไหนทำดีที่ไหนไม่ฟ้นเทียนว่ากรรมมันรู้ตามก็ความจริงนะคือความจริงในการกระทํามันมีอยู่แล้วะพระพุทธเจ้าก็มาจัดคําตัดสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงเปพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเจนนี้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 ที่เราทำไปนี้มันถูกความจริงหรือผิดความจริงมื่ก็ถูกก็ผิดของมันอยู่นั่นก็เดียวกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามประธรรมยังมีอยู่เนีเ่ฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติด้านท่านจริงคารมคารมทําไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะ<อ>นั่งอยู่นี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพุทธเจ้าต่อหน้านี้ไปไม่ได้แล้วนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่าจริงคารมแต่ พ, พุทธประธรรมประสงค์อยู่ สม่เสมอนั่นไม่จืดจางอย่างนี้ไม่ได้รับก็เพราะตอนเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้ว่ามันไม่หายไปตรงไหน <IS ung> เห็นอย่างนี้ก็เรียกเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพธธุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงมาเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาและอธิษฐาน เดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อต า, าตมาศีรษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นเออทอานอปฏิวัติไปเถอะเี่ยวไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรานั่งอยู่ใต้รตรงต้นไม้ก่อฟังธรรมท่านอยู่อย่างนั้นนั่งก็นอนนอ น, นก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่อันจะมาคิดไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ของคิดเอา นะไม่ใช่ของคิดอันนี้มันมันมันมันจะเกิดมาจากความบริสุทธิ์นะไอ้อออจํา ข, ของคท่านเนี่ยจะพิจารณาไงไม่ได้อย่างนี้ไอ้อออออความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะนั่นเองนะไม่ใจอื่นไกลหรอกมันเป็นธรรมะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภรรูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาที่ไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่บอกไม่มีธรรมะนั่นมันไม่มีอ่ะไอ่มันเป็นธรรมะ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 สั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไปไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันมันจะนองมันเร็วมันไวนี่มันไวเมื่เรามาพูดอันหนึ่งก็นเถอท่านจึงจะมาเป็นพัะขัดควรกับตัวู้ทำได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยอมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนให้มันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวมันไวเข้าใจมันง่าย มันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ทีราชานนี่อืมสัตว์ป่านมันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์อืมสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะอืมหายากอืคำสอนของพระกันหนยจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะอืคิดไม่ไปถึงหนอะกคือคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงใอย่างนี้ ถ้าเรามองมองมนุษย์จะเกิดยากจมไหมเกิดทีละรสองก็ยังนี้เลยน้องก็คิดไปอย่างนั้นแก็ไม่ยากเลยมนุษย์ซึ่งไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่งมันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อก็มาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์สิิ์ดิราฉาโนอย่างหนึ่งเหมือนกับสัจจิจชานอย่างนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาในคุณธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นเด็กในดูเรื่องของมนุษย์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 ศีลธรรมนี่ใครจะต้องไปปฏิบัติวันติดัันยากมันถูกอยู่เดียวันติบัติยากเช่นง่ายง่ายง่ายๆถึงเวทั้งห้าประการเนี่ยสินห้าไอ้ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายแน่อน่สมทานกันอยู่ทากันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้แท้ ถ้าใครมีศีลห้าในใจของคนของตนทุกๆคนอย่างนั้นเน่ะไม่ต้องมีอะไรเล้วมันหมดเดือดวสีได้ทมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุกเป็นต้นก็อยู่ในความสงบระ ง, งับเป็นสมาชีวะในโลกก็ยังไม่เบียดเย็นซึ่งกันและกันเนี่ยะนะถึงมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็ยิงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมนันรู้จักอย่างนี้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 กรรมใดที่ทําไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเจ้าวัดประโคนนี่นะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งเสนอมามาต่อยเอาเสียนพระวัดประโคนไปจ้ะนะสมุดดักใครไม่รู้หรอกรู้คนเดียวจะคนที่ทํานะวันนี้ก็มาทอดป่ปาปลาด้วยกันก็มามองเห็นเสียนพระหัดมันก็ไม่สบายอยู่นั้นนะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นนะคนที่รู้จักกันนี่ย ไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของเขารู้แต่คนที่ทําไม่สบายแต่คนที่ทํานี่เนี่ยที่แอบกรรมชั่วที่ทําแล้วภายหลังนึกได้เรือดตอนกรรมนั้นไม่ดีเสียแล้วเดี๋ยวเราเอาทางองค์พระมาถวายไปในวัดบารโขงหรือวัดใดบัานหนึง่งด้วยศรัทธาของเราเนะีเมื่อมาทําบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้เนี่ยก็สบายใจแล้วนี่เนี่ยได้ทำไปนานในภายหลังคิดไปก็ไม่เรียดตอนสบายใจอันนี้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 ไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อมันอาศัยสามเมืีซึ่งกันเดียกันนั่นเองและไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันมีประโยชน์ทุกส่วนให้เราเข้าใจใจอย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทำบุญกันเสียเดียการกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยมูคาทําไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีอิทธิพลทำแล้ว่ามันได้บุญที ให้มันได้บุญให้มันได้บุญทุวรย่าจากถามแบบกลับไปบ้านกันไหมไปทอดตาปาได้บุญไหมไอ้ที่ตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งขี้แจไ ง, งไงฟังกันได้บุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนีน้ได้นี่นี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่ตามกระทําทั้งหลายแล้วมันเป็นอุบายก็อย่างนั้นในการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นอืมให้เข้าใจในที่ตรงนั้นอื ม, มเป็นของสมมติ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 เป็นนายกอรอยสมมติแต่นายกรคนนี่สําเร็จในการสมมุติจะใช้นายกรในวิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวกรั้งก็เป็นตัวกรให้เราอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักกว่านายกรไม่มีต้องเขียนตัวกรลงไปให้มันสําเร็จประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราไปฟังไม่ได้เหมือนกันอ่านโผล่ไปอันนี้ก็เือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราาบวชปฏิบัติ ถ้าเรามีสติมีสมัพพัญญาอยู่ตรงไหนก็ทางมันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าไอ้ฉันเนี่ยไม่มีเวลาจะภาวนาทําไมขายของจาดอ่าอืขายของเลยไหมไม่ได้ภาวนาโยงขายของโยงไปหายใจไหมหายไปจากขาทําไมมีเวลาล่ะ้าไม่มีโอกาสหายใจละ่ะทาไมไม่อึดลมไว้เนี่ยไอาการเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิด เราคิดมาจะมานั่งแต่รับจายอยู่ในการตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได wow. ้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี้ให้รู้จักว่าบัตินี้เราทําอะไรอยู่เราผิดหรือไม่ไม่หรือเราถูกไม่เราสุขไม่หรือเราทุกข์ไม่เอาเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เที่บกับการภาวนากันมาดูเรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราจะทําอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่เราปฏิบัติอยู่อย่างนั้น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 รู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั้นเนีน่ยแม่จะเย็บจักรก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้แม่นคงเท่าๆอ า, า, ารมณ์หายใจเรานั่นเองเนะปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่แลราก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงแม่หรับไปก็หายใจอยู่ทาไมมีเวลาหายละ่ะนี่ทำไมนี่นี่มีเวลาหายจะทาไมมันเป็นของจําเป็นเยอเกินอันนี้ เพราะลมนี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้ขี้เจนาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันในเป็นอาหารก็ได้นะไอความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะเราจะไม่ทานอาหารคือลมสักสักสองนาทีก็ไม่ไหวแต่เด๋วนะนะเอาสิเอขนมไอขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยอีกสามชั่วโมงเราไ่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งวันทีก็ได้เนี่ย โอกวันเจ็ดละเก้าวันก็ยังได้เลยฮะแต่ลงนี่ไม่ได้เนะี่ขนาดนาทีหนึ่งก็เต้นทีแลนะ้วนอะจะไม่ไหวแล้วนี่นั่ที่อึดใจไปดิเดินไปทีไ่ไหนไปกี่เส้นไหมนั่นแหละเราจะเดี๋ยวโอ้นะลงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงกล่าวอารมณ์ไม่ไม่หายใจกับปีเจรณ า, นานอานาปานสตินี้เป็นมงกฎกรรมฐาน ท่านที่ในภาวนานั่งกำหนดปิจนาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้ในะนี้รู้รู้ว่าลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหมเดี๋ยวลมลมเป็นของที่สําคัญมากที่สุดลมเพื่อาหารอัอย่างยอดที่เดียวนะ่ยนะถึงนอนดับอยู่จ็ยังทานอาหารนี่อยู่เสมอนะไม่ทานไม่ได้นะ่ะนอกจากมันตายกันแล้วแต่นั่นเนี่ยต้องกระนใจนี่โอ้อันนี้ลมนี่นะมันสําคัญเหมือนกันนะ่ะเรานั่งกำหนดตัวหายใจเข้าออกอย่างนี้ ไอความรู้สึกนะมันจสงบมันความรู้สึกเกิดลงลงนี่นะลงนี่มันสําคัญเยอะเกินหน่ะมันดีกวมีเงินหมื่นเงินแสนมันดีก็มีอะไรอะไรทั้งนั้นเนี่ยอยู่ทถ้ามันออกแล้วมันเข้ามาก็จายแนแต่ถ้ามันเข้าไปไม่ออกเรียก็ขาจ่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยต้อ เ, เห็นในใกล้ๆเข้มาอย่างนี้นะมันจะเป็นของที่มีกําลังกว่าอย่างอื่นแล้วเลยสนใจในลงแล้วก็พิจารณากําหนดรงพิจารณาเนี่ยนะชุดเรื่องต่างๆมารวมเป็นโรงเนี่ย มีสติกับลมหายใจเข้าออกเสมอไม่มีปัญญาหลายอย่างจะดูลมอานเดียวฉะนั้นแหละจะนึกว่าลมอนาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดอย่างนั้นพระพุทธเจา้าจึงยกมาให้เรายกกรรมฐานนี่คือลมหายใจเข้าออกเอาง่ายเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยชเห็นไหมมันมีลมทุกคนพอจะรู้สิบ่ารมเข้าออกฉะนั้นกับคำนุษย์จบแล้ว น, นะ จะนอนกว่านอนกําหนดไปเถอะให้มีความรู้สึกที่มันจะดับไปอย่างเนี้ยไม่ใช่มันเป็นของยากลําบากจะรู้จักวมดแล้วอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะทานศีลภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นเน่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาออกนั่นเน่ยออกมันศกกับปกตรงไหนมันทําตรงนั้นเน่ยมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาจะไม่เห็นชัดไม่เห็นชัด การภาวนาเนี่ยพอทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาจึ่งจะรู้จักธรรมะมันเป็นอะไรอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเข้าใจใการภาวนาการทำบุญสุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักจกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยทอะไรรู้จักถึงนั้นไม่ได้ทำปลอมๆไปหรอ แลอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆุท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าแสดงบุญกันได้กระเพิ่นกุศลเข้าแสดงกุศลด้วยเกี่ยวกับนิสิติจารณาอาณาปาลสิ่งธรรมกรรมฐานในกรรมฐานนี่มันควรทำจะเป็นทางโลกกว่าจริงจะเป็นทางธรรมกว่าจริงจะเป็นโยมจะเป็นฟ้าทำอมนนี้ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราโปร่งายได้ เสมอเราทําไปเราทําไปมันจะเป็นปัจจัยก่างรู้จา ก, จากเฉพาะตัวเองเท่านั้นเนี่ยอันนี้ระ ว, วันนี้นะเออญาติโยมทั้งหลายก็อืได้ฟังธรรมะมาพอสมควรอืมบางทีมันก็จะสู้ไอ้ความงงเงาหานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็ในเทตนามา น, นี้ในที่สุดสุดท้ายอย่าการบรรยายธรรมะมานี้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 จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเรื่องเป็นจากความมืดหนาสาหดจะเป็นจิตที่ของใสอันนี้เป็นธแล้วจะเป็นปัจจดตางรู้เฉพาะเจ้าของให้ผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณปสีรจรกายจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาสแสดงบุญในวันนี้จงเป็นผู้จงให้เป็นผู้มีสุขมีสุขโดยการเดินกรีการเดินกรณี การนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขมีสุขทุกๆคนเถิด